ตอนอบรมกรมสรัภพสามิตรภาคหนึ่งระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม2559ตอนที่1่ก็ขอกล่าวคําว่าท่ามาสวัสดีนะกับทุกท่านก่อนอื่นขอชื่นชมองค์กรหน่วยงานนะแล้วก็ผู้บริหารที่มีอะไรหลักมี จิตกุศลนะคือเวลาเราเนี่ย24ชั่วโมงต่อหนึ่งวันนะแก้ปัญหาชีวิตเรายังไม่พอเลยไม่ว่าเรื่องงานที่ที่ทำงานครอบครัวนะถ้าไม่มีจิตกุศลจริงๆไม่มีเวลามาคิดเรื่องนี้นะเพราะครูเองวิ่งไปตามโลก40ปีบ้านไปไปอยู่อเมริกาเราถูกสอนมาตั้งแต่เด็กๆว่า เรียเก่งๆหาเงินเยอะๆเมื่อรวยแล้วจะมีความสุขซื่อสัตย์มากนะซื่อสัตย์กับคําสอนนี้แล้วก็ไปอยู่อเมริกามันก็รวยจริงๆนะเงินเต็มบ้านแต่หาความสุขไม่เจอนะแถมมีของแถมมาด้วยเป็นไมเกรนความเครียดลงกระเพาะสีสิปีเราเราเราตามหาความสุขเราไม่เจอเลยมีแต่ความสะดวกสบายความสนุกสนาน ปับเสียงได้ไเออความพอใจนะได้ชั่วครู่แล้วก็หายไปแล้วก็สแสวงหาใหม่ทุกวันทุกวันก็เป็นเช่นนั้นนะพอเราเบื่อปุ๊บเราก็คิดตามภาษาเราเป็นคนไทยเราก็ใช้ภาษาถึงจะอยู่อเมริกาก็ช่างเราก็คิดภาษาไทยภาษาก็บอกว่าไปเที่ยวสิทาไมโง่จัด เงินก็เต็มบ้านยังไม่ไปเ็ารู้ว่าจะทำอะไรทำมาหมดแล้วไงทีนี้ไม่มีทางเลือกก็ไปไปกินเหล้าเต้นลำยิงนกตกปลาตีกอล์ฟเล่นการพนันให้มันลืมชั่วคราวพอ ก, กลับมาอีกก็เบื่ออีกทุกวันทุกวันก็เป็นเช่นนั้นทีนี้พ่อกูก็ตั้งโจทย์ถามว่าแล้วไอ้ตัวความสุขจริงๆมันเป็นแบบไหน มันมีกี่แขนกี่ขามันแต่งชุดสีอะไระทุกคนสแสวงหามันตอนนี้นเราเราวาดไม่ออกว่ามันเป็นรูปร่างหน้าจะยังไงก็คืนที่มันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตกลางวันพวอคูไปบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์เราเป็นคนไทยกลุ่มแรกๆที่ผลิตคอมพิวเตอร์ขายไปทั่วโลก TWC หรือแทงคอมพิวเตอร์ตั้งวงใจ กลางคืนก็ไปดูแลร้านอาหารคนละร้านเปิดกี่ร้านก็เต็มหมดมันได้สี่ดาวเดินทำงานไม่ทันต้องวิ่งทำมากว่าจะกลับเที่ยงคืนตีหนึ่งหิ้วถุงเงินกลับบ้านทุกวันเป็นอย่างนี้ตลอดพอเบื่อปุ๊บมันก็ไปเที่ยวบอกกำไรชีวิตจริงๆแล้วมันไม่ใช่กำไรชีวิตกำไรกิเหล็กถอสังขารที่เหนื่อยอยู่แล้วให้เป็นเหนื่อยมากกว่าเกา่า อดหลับอดนอนไปเต้นรำไปฟังเพลงไปกินเหล้าหมอมตัวเองไม่ให้มันคิดคืนนั้นเด็กๆ เ, เขาเคลียบัญีสิทธบัญชีเสร็จในห้องอาหารเนะที่ยงคืนพอดีพวกกูก็เขาก็กลับบ้านพวกกูไม่ยอมกลับนะก็ปิดล็อกกุญแจร้านอาหารเป็นครั้งแรกในชีวิตที่นั่งสมาธิเราไม่รู้มันคืออะไรนะ พราครูปฏิเสธไม่ได้ว่าตั้งแต่เกิดมาคนที่รักเราที่สุดก็ตั้งชื่อให้เราชื่อบัญชานะลูกพ่อแม่เรียกแล้วมีความสุขโดยที่ไม่เคยปรึกษาเราเลยแล้วแถมศาสนามาด้วยนะลูกเป็นพุทธนะคริสต์นะอิสลามนะฮินดูนะอะไรเนี่ยโดยที่เราไม่รู้มันคืออะไรแล้วเขารักเรามากเขารักเรายางไงไหมเขาก็ส่งเราไปเรียนวิชาสร้างอนาคต เราเลยกลายเป็นสิ่งที่สังคมอยากให้เราเป็นเราไม่เคยรู้เลยว่าเราเป็นใครตอนนี้ใครรู้บ้างว่าตัวเองเป็นใครแบ่งปันนะแลกเปลี่ยนถ้าใครรู้ยกมือขึ้นนะครับว่าภาะาอังกี่บอกัูอายู่คุณเป็นใครเราจะตอบว่าฉันชื่อบัญชาบอกไม่ใช่ไม่ต้องการทราบชื่อคุณชาบว่าคุณเป็นใครเราไม่รู้ แล้วเขส่งเราไปเรียนวิชาสร้างอนาคตเนี่ยพอจบออกมาก็หางานทําและกระแสทุนนิยมแข่งขันเสรีก็กระตุ้นให้เราแข่งขันงา น, นไหนก็เครียดหมดเพราะว่าต้องแข่งขันเพื่อสร้างทุนให้มากขึ้นความกังวลห่วงใหญ่มันก็เกิดขึ้นพราะครูก็เลยกลายเป็นคนพุทธโดยที่ไม่รู้มันคืออะไราศาสนาก็สมมุตินะาศาสนาไหนก็ช่าง เพิ่งเกิดขึ้นในโลกใบนี้ไม่กี่พันปีธรรมชาติเองไม่มีาศาสนาแต่าศาสนาไม่ใช่ของเสียหายมันเป็นองค์กรที่าศาสดาต่างๆตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนของาศาสดาเหล่านั้นเหมือนเรามีโรงเรียนนั่นแหละนะเพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของลูกหลาน เ, เรียนหนังสือแต่มันไม่ใช่ความจริงนะมันก็เป็นแค่สิ่งสมมุติขึ้นมาเราก็เลยกลายเป็นเอาละ่ะเกิดมาเป็นคนไทยก่อน เพราะเราเกิดในแผ่นดินไทยเ้าเรียกว่าเนี่ยนี่คือเป็นคนไทยเธอเป็นคนพุทธคนคริสต์คนอิสลามนะเราก็เป็นตามที่เขาอยากให้เราเป็นแล้วเขาส่งให้เราไปเรียนจากคนในกายพัฒนากายเป็นนักนักธุรกิจนักกฎหมายนักการเมืองนักการแพทย์นักนักไม่เป็นคนแล้วหนักไปทางใดทางหนึ่งนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ทีนี้ก็สู้ตายกัน สู้จนวันตายสมมุติว่าเราสร้างตึกขึ้นมาสิบชั้นเนี่ยเหนื่อยมากกําลังลงจะไปนอนพักผ่อนข้างๆมันกี่ร้อยชั้นนอนไม่ได้ละเดี๋ยวสู้มันไม่ได้เดี๋ยวเขาจะดูถูกเราพร ก, กัดฟันสู้ทนสร้างสร้างสร้างจนถึงเก้าสิบเก้าชั้นไม่มีหมดหมดกําลังแล้วไม่มีเลยไม่มีพลังแล้วเนี่ยอีกแค่ชั้นเดียวตายไม่ลงเดี๋ยวจะสู้มันไม่ได้ แต่ไม่มีแรงสร้างต่อไปยังเรียกลูกเรียกหลานมาสร้างต่อกลัวมันไม่ทุกข์เหมือนเรารุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นทั้งหมดเนี่ยคือเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครชีวิตคืออะไรคืนนั้นเที่ยงคืนหลังจากพร ะ, พะครูล็อกกุญแจนะก็นั่งสมาธิครั้งแรกในชีวิตไม่เคยนั่ง ทำอะไรบ้าๆบอๆหน่อยหนึ่งเขาบอกนั่งสมาธิมันสงบเพราะจิตเราไม่สงบเลยครอบครัวไม่มีปัญหาเงินไม่มีปัญหาแต่ปัญหาเราคือเราเบื่อโดยเราไม่รู้เหตุผลว่ามันเบื่อเพราะอะไรเราแก้ไม่ได้เราเป็นนักแก้ปัญหานะธุรกิจนี่ไม่มีปัญหาก็ไม่มีงานทําทุกวันนี้เราไปทํางานคือคือการแก้ปัญหาปัญหาไม่ใช่ปัญหาถ้าไม่มีปัญหาเราไม่มีงานทํา แต่ตอนนี้มันกลายเป็นมหาชีวิตเราเพราะว่าเราเบื่อโดยเราไม่รู้เหตุผลเราก็แก้ไม่ได้อันนี้กลายเป็นปัญหาเรากลายเป็นคนไม่เก่งอีกต่อไปแฟบหมดชีวิตหมดอะไรตายอย่างเราหลงตัวเองโดยเฉพาะเป็นชาวไทยเป็นช้างเท่าหน้าเป็นผู้ชายนะมีอีโก้มีอัตตาแต่ตอนนั้นเราแฟบหมดเราไม่เก่งจริงๆเราแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ เราแก้ความเบื่อไม่ได้ทุกวันนี้แก้โดยไปหาของอร่อยอร่อยมากินใช่ไหมไปเที่ยวเต่ให้มันลืมนะเราแก้แบบนั้นไงกลับมาอีกเดี๋ยวก็เบื่ อ, อนั่นแหละเพราะพ่อครูนั่งหลับปาลงนี่เสียงแอร์มันดังเห็นไม้มพ่อครูได้ยินเสียงไอ้นิสัยไม่ดีเรามันกลับมีประโยชน์นะนิสัยไม่ดีคืออะไรชีวิตเราเนี่ย คิดทุกเรื่องที่เราได้ยินคิดทุกเรื่องที่เรามองเห็นเห็นมามาคิดเอ๊ะทำไมวะเออมันพูดอย่างนี้ทำไมวะทำไมวะล้วก็มาคิดอีกทำไมแอร์นี่พุ่งเปลี่ยนใหม่ๆทําทำไมมันมันแพงจังมันดึงระหว่างหู ก, กับใจมันเกิดแรงดึงขึ้นเหมือนมีพลังอย่างหนึ่งมันเกิดขึ้นในตัวเรา มันเต้นเต้นเต้นนดึงมันเกิดแรงหมุนอย่างแรงเลยนะเพราะคูสรุปง่ายๆว่าประมาณสองชั่วโมงครึ่งผ่านไปไมันเกิดอาการเหมือนร้มเบิดตู้มหงายลงไปล้มลงไปเลยนะนะสว่างสมบสาตัวเราถูกละเบิดทิ้งแล้วอัตตาเราไม่มีแล้วสว่างไม่หมด คิดว่าประมาณครึ่งชั่วโมงพอลืมตาขึ้นมาดูนาฬิกาตีสามโมดีจากเกี้ยงคืนพอลืมตาขึ้นมามันก็สว่างหลับตาก็สว่างมันไม่มีอะไรแตกต่างระหว่างข้างนอกกับข้างในงงงงแต่ไม่เคยเกิดมาสี่สิปีไม่เคยมีความสุขขนาดนั้นที่ความรู้สึกสุขเพราะว่ามันไม่กังวลอะไรเลยตัวเราก็ถูกฆ่าทิ้งไปแล้วไอ้คนที่มันเบื่อก็ไม่มีแล้วเพราะครูจึงเห็นสัจธรรมข้อนึงว่า ความสุขที่แท้จริงคือความไม่มีทุกข์ความไม่มีทุกข์ที่แท้จริงคือความอิสระเวลานั้นเราอิสระมากไม่ต้องห่วงใหยกังวลอะไรเลยอารมณ์เบื่อก็หายไปก็ลุกขึ้นมาเดินแอร์หมดเย็นหมดอ่ะแต่ว่าเหงื่อเต็มไปหมดเลยมันแรงมากเดินไปดื่มน้ำไปเปิดตู้เย็นนะเหมือนเราเหาะได้นะเหมือนตัวม่มีน้ำหนักเลยละ่ะ พอเปิดน้ำมาดื่มเสร็จความเคยชินเราเนี่ยเคยสูบบุหรี่มาวันหนึ่ง 20, 30, 30ยี่สิบสามสิบสองเฮ้ยวันหนึ่ง 3, สองถึงสามสองสามถึงสี่สองบางวันถ้าประชุมดึกๆเที่ยวดึกดกมือนี่ดำปากดำเนี่ยหมดไออยู่เรื่อยสมัยก่อนเรารู้ไม่ว่าสูบบุหรี่ไม่ดีเรารู้เราเรียนหนังสือทุกคนก็รู้ สมองรู้แต่จิดไม่รู้เราสู้ความอยากไม่ได้กินเหล้าทุกยี่ห้อเล่นการพนันโกหกเพราะอยากชนะชั่วโมงที่นั่งก็ไม่มีศีลนะที่เขาบอกว่ามีศีลนะเนาะไม่มีโกหกลูกค้ามาว่าร้านอาหารเราไม่มีผงชูรสไปตรวจในห้องครัวไม่มีแม้แต่หนึ่งเม็ดแต่ผสมในนั้นจิบมาเรียบร้อย เราเข้าใจว่าการโกหกเป็นเทคนิคของการคาแต่เราไม่มีนิสัยที่จะโกหกหลอกลวงเขานะไม่มีนิสัยอย่างนั้นทีนี้พอดื่มน้ำเสร็จก็เอาบุหรี่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยขึ้นมาสูบสูบไม่ได้เหม็นะยี่สิบกว่าปีนะพยายามจะเลิกสี่ครั้งรู้แล้วว่าไม่ไหวละมันเหนื่อยนะไออยู่เรื่อยไปหาคุณหมอนะเอายามาอมทีนี้อมด้วยสูบด้วย นะคือไม่สําเร็จวินาทีนั้นสูบไปได้นะี่สามชั่วโมงเปลี่ยนชีวิตพวกครูหยุดชีวิตในเวลานั้นเพราะเราเจอคําตอบแล้วว่าความสุขที่แท้จริงมันคืออะไรไม่ต้องได้อะไรมาความสุขที่แท้จริงคือความไม่มีทุกข์ความไม่มีทุกข์ที่แท้จริงคือความอิสระทุกท่านมีอยู่แล้วเต็มเปลี่ยน แต่ตอนนี้เราถูกสอนให้ไปหาความสุขข้างนอกต้องชนะก่อนค่อยสุขต้องได้ก่อนค่อยสุขต้องมีก่อนค่อยสุขแล้วทุกคนจะไม่มีวันเจอมันมิสเตอร์บิลเกตเนี่ยตอนนี้รวยอันดับหนึ่งของโลกเขายังไม่สำเร็จสำเร็จไปว่าเสร็จแล้วแกยังไม่เสร็จแกยังไม่สำเร็จ เขาไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินแต่เงินทำให้เขาเดือดร้อนเขายังวัดว่าใครมีเงินมากที่สุดคนนั้นเป็นที่หนึ่งเขากลัวเขาจะเป็นที่สองถ้าเขาไม่มีวันพอเขาไม่หยุดเขาจะไม่มีวันสาเร็จเขาตายก่อนสำเร็จพ่าครูหยุดชีวิตมาแล้วยี่สิบเจ็ดปีสาเร็จแล้วไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างทำเพื่อตัวเองอีกแล้ว เวลาที่เลือเป็นส่วนเกินทั้งหมดสมัยก่อนเราก็เสือก็ะสนมีเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะเราชนะคนทั้งโลกไม่ได้นั่นแหละเราถูกใส่ข้อมูลผิดเข้าไปไปโรงเรียนไหนก็สอนให้ต้องที่หนึ่งแหละต้องเก่งนั่นแหละนะต้องชนะถึงจะดีต้องรวยถึงจะดีไม่มีที่ไหนสอนว่าแพ้ถึงจะดีนะ จริงๆแล้วเราแปลภาษาผิดนะคำว่าจนเนี่ยแปลว่าไม่มีไม่ได้แปลว่าทุกคำว่ารวยแปลว่ามีเยอะไม่ได้แปลว่าสุขสัหน่อยหนึ่งเราไปแปลผิดเราไปแปลผิดแล้วเมื่อไหร่จะรวยคุณดูเกตยังไม่รวยเลยเอ้า อ, อันดับหนึ่งของโลกไม่รวยได้ยังไงรวยแปลว่ามีเหลือล้นพอแล้วจนแปลว่าไม่มีหรือมียังไม่พอ คุณบิลเกตยังไม่พอเขาอยอมเราก็ยังจนอยู่เราถูกใส่ข้อมูลผิดในชีวิตเราแล้วก็คิดผิดทุกวนันนี้ทุกท่านนั่งอยู่ที่นี่คิดว่าเก้าเก้าซหรือ1้อยเปอร์ซนเนี่ยเราน่าจะใช้ภาษาไทยมาคิดนะครับด้วยใครภาษาอังกฤษใช่แค่าภาษาจีนหรือเปล่าภาษาเมนที่เอามาคิดเนี่ยเราใช้ภาษาภาษาไม่ใช่ความจริงนะภาษาไทยเรามาจากไหน ภาษาไทยถ้าศึกษาประวัติศาสตร์ไทยเลยพ่อขุนรามเป็นคนตั้งขึ้นมาแล้วก่อนหน้านี้เราใช้ภาษาอะไรสื่อกันภาษาก็คือมนุษย์สมมติขึ้นอีกมันไม่ใช่ความจริงเราก็คิดตามภาษาตามสมมุติแล้วก็พูดตามภาษาทำตามภาษาทำตามสมมุติเราจะไม่มีวันเข้าถึงความจริงเราจะไม่มีวันตอบโจทย์ความจริงให้กับชีวิตเราได้ นะหลังจากพ่อกูเจอวันนั้นนะ่ะพ่อ ก, กูอยู่บ้านเฉยๆปีหนึ่งทำไมอยู่ปีหนึ่งคือสามคืนสี่วันนั้นนะ่ะมันนอนไม่ได้กินไม่ได้เพราะว่ามันไม่หิวมันไม่ง่วงหลับตาก็สว่างลืมตาก็สว่างเขาทำให้ดูว่าไม่ต้องกินไม่ต้องนอนก็สุกก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหลนะเนาะวันที่สี่เขาตื่นกันแล้วพ่อ ก, กูก็ เดินจะไปห้อง น, าน้ามันเกิดอาการจะหมุนก็กลัวจะล้มก็ลงไปนั่งมันก็หมุนระเบิดตุ้มอีกทีหนึง่งแสงนั้นก็หายไปก็กลับมาเป็นปกติทีนี้ก็ขับรถไปบริษัทไปเคลียร์งานที่สําคัญให้น้องๆเขาร้านอาหารให้ผู้จัดการก็ดูแลเพราะคูอยู่บ้านเฉยๆปีหนึ่งก็สุขไม่ต้องไปไหนเลยก็สุขทําไมต้องอยู่บ้านปีหนึ่ง ตอนนั้นอยุสี่สิพอดีนะฝรั so ่งบอก40เพิ่งเริ่มต้นกำลังเท่ากำลังมีประสบการณ์เยอะกาลังจะทำงานใหญ่จริงๆนะมีหลายสาขาทั่วโลกแล้วยังไม่พอร้านอาหารจะเปิดแฟรนไชส์นะกำลังเซตอัพระบบแฟรนชอยู่นะบุญเยอะแหลือเกิดที่มันระเบิดก่อนไม่งั้นตอนนี้จะเป็นยังไงเขาไม่รู้ก็พาแฟนพักคูน่ะนะแม่ตอนนั้นน้องคีนี่ลูกสาว คนตัวยุควบหนึ่งพาแม่เขาปฏิบัติเราเห็นเลยสามชั่วโมงมันเกิดอาการอะไรขึ้นนะเขาก็นั่งเวียงเขาอาเจียนใหญ่เลยเหมือนคนแพทองก็พาไปหาคุณหมอก็ตั้งท้องน้องดอนเดือนหนึ่งถ้าน้องดอนเนี่เกิดมาอีกชายเดือนหนึ่งไม่ได้เกิดขึ้นกับเราแล้วพ่อคูก็รอน้องดอนเนี่ยคลอดเสร็จครบหกเดือนแล้วก็อุ้มเด็กสองคนนี้เนี่ย ย้ายตัวเองจากเมืองนอกไม่ใช่มาอยู่บ้านนอกนะตอนนี้ศูนย์บาลานคอยที่พ่คูอยู่สมัยก่อนไม่มีบ้านไม่มีถนนเข้าไปพระครูนั่งเรือข้ามเขื่อนสิรินธรข้ามไปเนะี่ยเป็นป่าอยู่แบบไม่มีไฟฟ้าอยู่สิอปีไปอยู่ป่าสมบเย็นอย่างมีความสุขไม่ต้องมีอะไรเลยก็สุขใช่ไหม พอเริ่มตัดถนนเข้าไปความเจริญเริ่มเข้าไปความวุ่นวายเริ่มเข้าไปเราก็เลยตั้งศูนย์พรลางคอยนะมีศูนย์จิตใจศูนย์สมองศูนย์ปากท้องเรามีโรงเรียนสองแห่งหนึ่งตำบลหนึ่งแห่งดูแลเด็กยากจนที่น่นแล้วก็ลูกพระครูสองคนนี้คนหนึ่งบวชชีคนหนึ่งบวชเนมแล้วก็เรียนจบปริญญาโทตอนนี้บริหารโรงเรียนดูแลเด็กยากจนพ่อครูไม่สอนให้เขาตามโลกภาษาอังกฤษบอก follow ismin behind ตามไปว่าไม่ทัน ตามต่ว่าถานมันเปลี่ยนรุ่นใหม่ทุกวันสอนให้เขารู้เท่าทันโลกอยู่กับโลกให้ได้รู้ว่าชีวิตคืออะไรไอความสุขจริงๆมันคืออะไรที่ผ่านมาเราโดนหลอกไป4ี่ิปีบังเอิญเราสร้างเขาขึ้นมาถ้าพระครูระเบิดก่อนพรอครูแน่นอนไม่ต้องแต่งงานอยู่แล้วพรอครูต้องรับผิดชอบชีวิตเขาพาเขาจากเมืองนอกไปอยู่ป่าตอนที่กลายเป็นมนนอกแล้วเริ่มมีบ้านช่องเละขึ้นมา เพราะเราต้องรับผิดชอบชีวิตเขาว่าเราสร้างเขาขึ้นมาบางคนต่อว่าพ่อครูเนี่ยเป็นบ้าเหรือหยุดชีวิตแล้วก็หยุดสิเอาเด็กๆไปอยู่ในป่าทําไมถามว่ามีอะไรไม่ดีเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะตามเขาไม่ทันบอกไปเปิดพจานานุกรมคําว่าตามไปว่าไม่ทันตามไปว่าไม่ทันพ่อครูตามไปแล้วไม่ทันเปลี่ยนรุ่นใหม่ทุกวัน เพราะคุต้องรับผิดชอบชีวิตเขาเพื่ออนาคตเขาอนาคตเขาคือทุกน้อยหน่อยหนึ่งนะไม่ต้องไปวิ่งตามโลกอยู่ที่นู่นทำงานที่ยิ่งใหญ่นะเป็นผู้ให้แต่ถ้าเราไปต่อสู้ทางโลกนี่เท่าไหร่ก็ไม่พอไม่มีวันพอเพราะมีคนเขามากกว่าเราตอนนี้เมืองไทยคนรวยมีเยอะนะแต่ยังไม่พอนะใหญ่เล็กกินเรียบเอาหมดเลย เขาคิดว่าเขามีความสุขเนี่เขาพอใจนะเขาหลงว่าเป็นความสุขจริงนั้นเป็นใจเมืองไทยเราเศรษฐีมีน้อยมากมีแค่คนรวยคนรวยคือมีเงินเยอะแต่ไม่มีเศษส่วนเกินที่จะแบ่งปัดอินเดียยังเศรษฐีมีเยอะนะนะปีที่แล้วมีบริษัทหนึ่งนี่ยกำไรคิดเป็นเงินไทยสองหมื่นกว่าล้านบาทพนัก ง, งานเขาหลายร้อยคนเขาบอกว่าเฮ้ยเงินกาไรนี้เนี่ยไม่ใช่เ้าสร้างขึ้นมา พนากงานสร้างขึ้นมาหมดเขาซื้อรถเก๋งแจกคนละคันคอนโดคนละหลังแต่เขาเสียถี่ไปบ้านเราไม่มีมีแต่คนรวยเนาะเขาเขาไม่พอไงเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วเขาก็ต้องทุกขต่อไปทุกข์เพราะความไม่พอของเขานะนี่แหละ คำตอบว่าทาไมพวกเราต้องเสียเวลามาปฏิบัติอะไรเรียกว่าอะไรอันนี้ไม่เกี่ยวกับศาสนานะพราะกูบอกนะไม่เกี่ยวกับศาสนาเป็นโปรแกรมชีวิตฟิตเนสนะเป็นโปรแกรมชีวิตฟิตเนสมีหลักสูตรคือกายฟิตจิตเฟิร์มอารมณ์ดีชีวีมีสุขทำไมต้องกายทำไมต้องจิตทำไมต้องอารมณ์มนุษย์เราประกอบด้วยสามอย่างนะรูป รูปกายนี้ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟเวทนาสัญญาสังขาร น, นี่หมายถึงอารมณ์นะวิญญาณหมายถึงจิตถ้าเราขาดอย่างใดอย่างหนึ่งความเป็นมนุษย์เกิดขึ้นไม่ได้แต่ตอนนี้วิทยาศาสตร์การแพทย์นเนี่ไปเอาเรื่องรูปประทับอย่างเดียวไปวิจัยเรื่องกายอย่างเดียวมันถึงแก้ปัญหาชีวิตเราไม่ได้นะ เรามีอารมณ์หรือใครปฏิเสธว่าเราไม่มีความรู้สึกดีใจเสียใจความกลัวความกังวลห่วงใหญ่อันนี้เรียกว่าอะไรเรียกได้ว่านา ม, มาทําใช่ไหมแต่วิทยาศาสตร์เอาแค่รูปประทับนะมันถึงแค่ปัญหาชีวิตไม่ได้เพราะคูสมัยก่อนเนี่ยนอกจากเงินเต็มบ้านแล้วเนี่ยมีมีของแถมมาด้วยเป็นไมเกรนเป็นโรคกระเพาะนะรักษายังไงก็ยากินแล้วับไม่ให้มันรู้สึกปวดแล้วก็คิดอีก พอยามันหมดก็ปวดอีกแต่ยี่สิบเจ็ดปีอยู่ในป่านั่นแนะพ่อครูไม่ต้องกินยาแก้ปวดแม้แต่เม็ดหนึ่งเพราะมันมันแก้ที่ต้นเหตุมันไม่ต้องคิดเลยบางคนไม่เชื่อนะีอ่ไม่ต้องคิดได้เลยถามว่าทำไมไม่ได้ตำรวจจับไหมต้องขอวีซ่าหรือเปล่าฮนะไม่ได้เขาจะด่าเราว่าคิดไปเป็นคนโง่ไงนะเราถูกสอนอย่างนั้นนะ คิดที่เป็นการสร้างกรรมนะคิดดีก็ทุกคิดชั่วก็ทุกบางคนคิดดีทุกได้ยังไงคิดดีนั่นแหละตัวดีคิดดีจนนอนไม่หลับไงจนไม่หลับไม่นอนนะกลวไม่สาเร็จ่ยเนี่ยคนดีนะมีคนรับผิดชอบนะย้าคิดย้าทำอยู่นั้นจะนอนไม่หลับจนสังขารร่างกายสุดโทมหมดอ่าพอวันระเบิดปุ๊บเนี่ยมันไม่มีอนาคตแล้วที่เราคิดนี่เรามีอนาคตเต้งคิดวางแผน แต่ถ้าเราไม่มีอนาคตแล้วไม่ต้องคิดพวกอูพูดไม่ต้องคิดนะกินข้าวไม่ต้องคิดนะหรือว่าใครกินข้าวคิดไปด้วยจะเคี้ยวยังไงจะกืนยังไงไม่ต้องนะขับรถก็ไม่ต้องคิดใช่ไหมทำงายไม่ต้องคิดยิ่งทำด้วยคิดไปด้วยเนะี่ยระวังความคิดถ้าคิดดีอารมณ์ดีเข้ามาแทรกอารมณ์ร้ายเข้ามาแทรกมันจะกระทบงานที่เราทำอย่างคนคนหนึ่งมีหน้าที่วาดรูปอยู่ เนื่องจากว่าเขามีความรับผิดชอบอนาคตมากเขาก็วาดห้าสิเซตแล้วก็แบ่งอีห้าสิอร์ซไปคิดว่าวาดเสร็จแล้วฉันจะไปทําอะไรเห็นไหมมันก็ไม่ตั้งใจวาดเนี่ยมันก็ว่าถูกวาผดผิดบ้างพรุ่งนี้คืออนาคตของวันนี้สีมันแห้งแล้วเป็นยังไงผลงานได้ห้าบอร์ซแต่ถ้าเราไม่มีอนาคตเราอยู่ปัจจุบันเรามีความสุขกว่าการวาด โทเทอี่เป็นหนึ่งเดียวกับมันนะตั้งใจวาดโอ้มีความสุขกับมันมากเพราะอารมณ์แทรกไม่ได้พรุ่งนี้สีมันแห้งได้เท่าไหร่ได้ร้อยเเทุกวันนี้พวกคุณนานๆจะเข้าไปในเมืองทีหนึ่งนะแล้วก็จะไปเดินลานหนังสือพวกกูรู้เลยว่าตอนนี้อารมณ์ขึ้นอารมณ์สังคมเป็นอย่างไรบางช่วงหนังสือธรรมะเต็มไปหมด บางช่วงสู้แล้วรวยคิดบวกนะท้องทุนเศรษฐกิจกำลังกระเตื้องนะนั่นแหละคิดบวกขายดีมากถ้าอาจารย์พุทธทาท่านอยู่ท่านบอกคิดบวกเนี่ยจันไายิ่งกว่าคิดลบอ่ะคิดบวกมันก็ดีแล้วไงดีดีจริงหรือเปล่าเราคิดบวกปฏิเสธไหมว่าเราอยากได้เราอยากชนะใช่ไหม นะความอยากคือที่มาของทุกข์แค่ไม่ต้องคิดลบได้ไหมมีหน้าที่ทำอะไรก็ทำไปอย่างมีความสุขได้ไหมทุกวันนี้ที่เราคิดเพราะเราอยากได้ก็คิดกังวลคิดห่วงใยคิดสงสัยคิดแล้วก็กลัวกล้ากล้ากลัวกลัวความกลัวทำให้เราเสือ่อคนคิดเป็นคือคนไม่คิดมีใช่คนคิดเก่ง คนคิดเก่งยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์เรียกว่าคนคิดไม่เป็นคนคิดเป็นทำให้ตัวเองคิดให้มันทุกข์ทำไมคิดจนไม่หลับไม่นอนคิดกังวลห่วงใหญ่สงสัยความเป็นจริงมันกลับกันกับสิ่งที่เราได้เรียนรู้มามันถึงเครียดกันทั้งทั้งสังคมทั้งโลกนะถ้าเราคลอเขาขล อ, ขอนนีเสียดายหน่อยว่าเวลาเราจากัดเนาะ คำว่ า, าเวลาเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากสําหรับคนในยุคนี้ยุคโบราณเ้าไม่มีนาฬิกาเนี่ยแล้วไม่มีเวลานะไม่มีเงื่อนไขเวลาจ ะ, จะตื่นกี่โมงทําิจกรรกี่โมงไม่มีเงื่อนไขเวลาพอเขาสร้างเวลาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจากวันนั้นอ่ะเราเป็นทาสของเวลาแล้วตื่นกี่โมงไปกี่โมงเสร็จกี่โมงเสร็จเมื่อไร่เราทุกกับเวลาแล้วแล้วก็ยุคนี้เราทุกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ไอคนคนหนึ่งมันเก่งมากมันสร้างระบบเงินเน่มันเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนตอนนี้เราทุกกับเงินแล้วแล้วก็รู้ว่าเอ้ยถ้ามีเงินก็ดีแล้วมีเงินในไลิ์ได้หมดเลยทุกคนก็กลายเป็นท่าของเงินโดยไม่รู้ตัวหนึ่เวลาสองเงินพ่อครูก็เป็นเช่นนั้น40่สปีก็เงินเงินเต็มบ้านแล้วไงก็หยุดสิ อินกีชาติก็ไม่หมดแล้วมันไม่หยุดไงเพราะมันสู้คนอื่นไม่ได้เงิ น, นคนเราเยอะกว่าเราถ้าเกิดเราไม่หาคำตอบให้ตัวเองว่าเราเป็นใครเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนไอความสุขจริงๆมันมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรชีวิตเราจะเคว ชีวิตเราจะไม่มีเป้าหมายชัดเจนเป้าหมายก็คือว่าคนอื่นเขาตั้งโจทย์ให้เราว่าสู้ตายรวยแล้วก็จบเมื่อเช้าเพิ่งมีคนรวยคนหนึ่งเศรษฐีพันล้านมานั่งร้องไห้กับคุณปู่เขาคุยกับแฟนไม่รู้เรื่องไม่ใช่มีเงินแล้วก็จบนี่คือยุคทุนนิยมแข่งขันเสรี เราถูกใส่โปรแกรมว่าถ้ามีทุนปุ๊บเนี่ยเราแก้ปัญหาได้ทุกอย่างจริงเหรออเมริกาพวกคูเคยอยู่ที่นูนนะเศรษฐกิจสังคมการเมืองเขาอันดับหนึ่งของโลกแต่ตอนนี้เขาเป็นหนี้มากที่สุดในโลกเศรษฐีตัวจริงไหมแล้วประเทศไหนไม่เป็นหนี้บ้างญี่ปุ่นเป็นเจ้าหนี้โลกอันดับสามก็เป็นเจ้าหนี้ก็เป็นลูกหนี้ด้วย ทุกประเทศเป็นหนี้หมดนะทุกคนที่ใช้เครดิตการ์ดเป็นหนี้หมดแล้วเงินที่เราทําลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างกว่าจะเป็นน้ํามันกี่ล้านปีเราเจาะมันขึ้นวันหนึ่งหลายล้านมาเล็วมาแลกเป็นเงินแลกเป็น GDP แล้วตอนนี้ถามว่าเงินหายไปไหนหมดเพราะทุกประเทศเป็นหนี้หมดกลายเป็นถยาย ขยะสารพิษก็กลายเป็นปัญหาใหม่ของมนุษย์ทั้งหมดคือมนุษย์ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครเราตั้งโจทย์ให้ชีวิตผิดว่าต้องรวยก่อนค่อยสุขนะก็หลายปีมาเราเกิดเป็นคนไทยพวอครูถือว่าเรายิ่งใหญ่มากอย่างน้อยๆเราได้เจอเอาล่ะเจอในหลวงองค์ปัจจุบัน ท่านซึ่งทรงปัญญามากท่านชี้ทางให้พวกเราเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนักวิชาการไม่รู้เรื่องก็ไปเผยแพร่พออยู่พอกินพอใช้เอาแต่เรื่องวัตถุมาว่ากันบอกบิวเกตมันยังไม่พอเลยใครจะพอเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยต้องพอใจเพียงแค่มีต้องเตรียมใจก่อนมีมากก็พอใจมีน้อยก็พอใจแต่ไม่ได้แปลว่าพอแล้ว ต้องขยันขันแข็งทําต่อไปทําแล้วได้ก็ต้องพอใจทําแล้วเสียก็ต้องพอใจเ อ, อ้าเสียพอใจได้ยังไงเ อ, อ้าทำไมจะไม่พอใจล่ะพอใจในสิ่งที่เราได้ทําไงซะว่าเราเราทำแล้วได้เราได้เงินใช่ไหมเราพอใจเราทําแล้วเสียเราพลาดโอกาสในการได้เงินแต่เราได้ประสบการณ์มากมายต้องพอใจเ <c oughs> มื่อนั้นเด็กๆไปเรียนหนังสือทําไมเสียเวลาชีวิตเสียเงินค่าเทอม เสียค่ารถรับส่งเรียนเพื่อหาความรู้ไงพอทำอะไรพลาดในชีวิตเนี่ยเป็นความรู้อย่างยิ่งต้องพอใจแต่ตอนนี้เราเป็นเน้นเรื่องวัตถุฝ่ายเดียวเราทิ้งเรื่องจิตวิญญาณซึ่งเราเรียกว่านามธรรมาซึ่งมันเป็นความจริงซึ่งมีอยู่ในชีวิตเราเราปฏิเสธไม่ได้ นำมาทำกับเรื่องอารมณ์เรื่องจิตวิญญาณนั่นแหละนะก็ชีวิตเราคือสามอย่างและโปรแกรมนี้เนี่ยจะบูรณาการสามอย่างนี้ขึ้นมาประพ้องกันตอนนี้เราเรียนแบบเรียนวิชาแบบแยกแขนงนะเธอไปวิทยาศาสตร์เธอคณิตศาสตร์เธอเป็นแพทย์เธอเป็นอะไรรู้เรื่องเดียวในแง่ชีวิตเราไม่ใช่เรื่องเดียวนะมันเป็นองรวม ไม่ใช่มีเงินอย่างเดียวก็มีความสุขได้นะถ้าไม่มีความปลอดภัยเห็นไหมไม่มีความอบ อ, อุ่นไม่มีความรู้สึกสุขใช่นไหมนี่เขาเรียกว่า holistic ก็คือบูรณาการนะยี่บเจ็ดปีพ่อูถอยมาอยู่ในป่าที่จริงแล้วไม่อยากยุ่งกับข้างนอกเพราะเราหยุดชีวิตแล้วยี่สิบปีไม่ไปไหนเลยนะอยู่ในป่านั่นแหละนะแต่พอถึงยี่สิบปีจิตบงออกไปข้างนอก แล้วก็ถามออกไปทําไมแล้วบอกแล้วว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมช่วยไม่ได้เขาบอกว่าทําพ่อทํทารมธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะการให้เป็นหน้าที่เราแล้วก็ออกมาออกมาแบ่งปันมาให้ส่วนให้แล้วใครจะรับไม่รับก็เป็นเรื่องนานาจิตตังเป็นเรื่องของสิทธิของแต่ละบุคคลยัดเยียดไม่ได้แต่พะภครูไม่หวังไงถ้าเราหวังเนี่ยเราจะผิดหวังจะฝืนกดแห่งกรรมเขาไม่ได้ เหมือนเรามีอะไรดีๆแล้วก็มาแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตนะก็วันนี้เหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยพ่อครูเพิ่งฟื้นไข้นะจริงๆแล้วไม่ใช่ไข้เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ล่ะอุบลก็ร้อนมากปีนี้ที่ไหนก็ร้อนหมดและพ่อครูก็เดินไปดูงานเขาไปเชื่อมเหล็กปุ๊บเนี่ยโลหะหนักมันเข้ามาก็อ้ไอ้ไออ้ไอ้ไจนถึงมาานนะเมื่อวานนะเมื่อเช้าพ่อครูไม่ลงมานะถนอมเสียงอันนี้เมื่อกี้เป่งออกมาเออมันออกมันเป่งได้แต่ไม่รู้จะเป่งได้ยาวแค่ไหนนะ แล้วเราก็ทำหน้าที่เราจนเท่าที่เราทำได้ก็โลกร้อนขึ้นเห็นไหมทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเพราะฝีมือมนุษย์ไปทำลายความสมดุลของสิ่งแวดลอ้อมดินน้ำลมไฟของโลกมันเปลี่ยนนะถ้าเกิดเราไม่ปรับตัวเองเนี่ยให้แข็งแรงนะยิ่งพวกท่านใช้ชีวิตในส่วนกลางในกรุงเทพในเมืองหลวงใหญ่หัวเมืองใหญ่ๆต้องระวังนะบนภาวะ ไม่ว่าจะเป็นน้ำในน้ำเนี่ยมีมวลภาวะในอากาศผสมในอาหารมีสารตกค้างโดยเฉพาะเกษตรทุกวันนี้ก็อันตรายมากนะเราบริโภคเราก็สะสมนะสมัยก่อนพวอคเูเด็กๆเนี่ยคนเป็นมะเร็งมีแต่อายุคนแก่ๆคุ้มคุ้มกันมันอ่อนแอและตอนนี้ไม่ละเว้นะเด็กๆ ก, ก, ก็เป็นนะ กัเ ร, ว, เรวนี้นี่มีดาราหนังคนหนึ่งอะติดเชื้อแค่ใข้เรือนออกเห็นไห ม, มเห็นไหมเจอเชื้อที่ขาก็ตัดขาเจอเชื้อที่ปอดก็ตัดปอดทำไมไม่ตัดให้มันหายแต่ตัดให้มันตายทําไมวิทยาศาสตร์การแพทย์แค่นั้นไงรักษาปลายเหตุเนาะถ้าเข้ามาปฏิบัติ สร้างภูมคุ้มกันตัวเองนะเขาจะขับพิษออกมาได้เลยบี้หมัดหมาปวดหัวหักแผลแย่เป็นอมาาัมพาตไม่มีแม้แต่หนึ่งโรคไม่เกี่ยวกับผลของกรรมอยู่ที่มันจะส่งผลเมื่อไหร่กรรมเก่าบวกกรรมปัจจุบันคือผลกรรมปัจจุบันที่เราตัดสินเอาชีวิตเรามาอยู่กับสิ่งแวดล้อมแบบนี้แลว้วก็หายใจเข้ามลวลภาวะตลอดเวลาและกินอาหารที่เป็นพิษตลอดเวลานี่เป็นกรรมปัจจุบันนะมันก็ส่งผล ทีนี้ถ้าเกิดชีวิตเราเลือกไม่ได้เรามีหน้าที่ป้องกันโดยทำให้ตัวเองแข็งแรงนะอดีตรัฐมนตรีสาธารณสุขในแพทย์มงคลนะสงขาหลายปีก่อนเอาคณะใหญ่ไปเยี่ยมพระคูในสูงประหลานคอยท่านก็ถามพระคูเนี่ยพระคูคิดอย่างไรเรื่องสุขภาวะ พ่อครูบอกวิธีรักษาโรคที่ดีที่สุดคือป้องกันไม่ให้เกิดโรควิธีป้องกันไม่ให้เกิดโรคที่ดีที่สุดคือรักษาความสะอาดสะอาดจิตสะอาดร่างกายสะอาดสิ่งแวดลอ้อมแต่ตอนนี้สิ่งแวดล้อมกรุ ง, งเทพถามว่าเราเรากันได้ไหมไม่ต้องให้มีรถติดได้ไหมไม่ต้องมีฝุ่นละอองได้ไหมเราไม่ได้เรามีหน้าที่ทำสองอย่างทําให้ตัวเองแข็งแรงมีครูบาอาจารย์บางท่านฝึกมาเนี่ยนะ ยาเป็นแบบอย่างนะมันเป็นเรื่องกรณีเขาเรียกว่าความสามารถเฉพาะตัวเอายาพิษมากินแก้วนึงกินให้ดูเลยนะมันขับออกได้นะยกตอย่างว่าร่างกายเราไม่ต้องเสียบปลั๊กไฟเลยใช่ไหมไอ้คอมพิวเตอร์ไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะเพราะกูสร้างมากับมือแค่เสร็จเหล็กก้อนนึงนะเดี๋ยวเงินหมดก็โทรไม่ได้นะไฟหมดก็โทรไม่ได้นะไม่ได้เก่งเท่าไหร่แต่ร่างกายเราเนี่ไม่ต้องเสียบปลั๊กไฟเลยเนี่ยมันพูดได้ มันรู้ร้อนรู้หนาวมันคิดได้มีสมองกลมันมีเครื่องฟอกอากาศมันมีเครื่องย่อยสลายอาหารเอาของดีมาใช้ของเสียขับทิ้งบโรงงานขับขับนะน้ำเสียกักอาหารเหไหมอัตโนมัติแต่เราไม่เคยรักมันเลยเรากลัวมันตายชาเราให้มันแบกมาหามเพื่อสร้างอนาคต เราไม่เคยต่อสู้เพื่อชีวิตเราเลยเราชีวิตเราไปทุกเพื่อสร้างอนาคตชีวิตเราคืออะไรเมื่อกี้บอกแล้วมีแค่สามอย่างไนละคือกายจิตอารมณ์ชีวิตเรามีอยู่แค่นี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเสื้อผ้านี่เป็นส่วนประกอบของชีวิตไม่มีก็ไม่ตายนะย่างอื่นประกอบแต่ตอนนี้เราชีวิตเราเนี่ยไปทุกเพื่อสร้างอนาคตกันเพราะทั้งหมด เขาไม่เคยสอนหล่อเขาสอนแต่วิชานักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ไปสร้างวัตถุนอกกายแข่งกันเหมือนทุกวันนี้ถ้าเราใช้ปากมากินข้าวนะอร่อยแค่ไหนไปช่างเนี่ยใสย่ใส่ใส่เข้าไปมันจะมีกระเพาะลำไส้มารองรับนะมันจะอ้วกออกมานะแต่ถ้าเราไม่ใช้ปากมากินเราใช้หน้าตามากินเนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มนะ ตายก่อนเดี้ยงนั่นแหละคําตอบว่าทําไมต้องเสียสละเวลาเนี่ยมาเข้าโปรแกรมนี้โปรแกรมนี้ไม่ใช่วิชาสอนนะพ่อครูออกตัวก่อนยี่สิบเจ็ดปีพวอครูเนี่ยไม่เคยใช้สมองโ ง, โง้ง้ออายุหกสิบเจ็ดปีมาสอนจิตจิตจระดวงนั่งอยู่ที่นี่มีอายุหลายล้านชาติจิตจระดวงมีบรารมีมหาศาล อย่าบังอาจใช้สมองความรู้โง่ๆ67ปีมาเรียนชาตินีไปสอนเขาที่พูดพูดทั้งหมดเนี่ยเอาประสบการณ์ทั้งทางโลกทางธรรมมาแบ่งปันส่วนทุกคนต้องทำเองนะทำเองคือยังไงรู้ไมจะเป็นการเต้นเป็นลำเป็นอะไรกระช่างเนี่ยเป็นอุบายเป็นเทคนิคให้ระวังหัวโขนหยับหยาปฏิบัติได้ย่างลุงเ ม, มื่อกี้นี้ชั่วโมงอะไร เตรียมพร้อมร่างกายจิตใจใช่ไหมโอเคเมื่อกี้เตรียมพร้มมอมแรกๆเขาให้เราให้เรายืนเต้นไม่รู้สั่นทาไมไม่รู้เห็นออให้ความคิดคก้นก็ุศนทําไมไม่รู้เออมาร้องมารำนั่นแหะทําอะไรก็ไม่รู้ใครถามว่าใครถามเราว่าทําไมทําทําทําไมรู้ไหมไอคนถามนั่นคือใครรู้ไหมกิเลสคือความเคยชินเราเนีะ่ะมันอายเว้ยมันราทําไมอะไรเนี่ยนะ น, นี่คือกิเลสไงเรามาปล่อยหัวโขนเหล่านี้เพื่อปลดปล่อยให้เราอิสระจากความเคยชินเราไม่งั้นเราจะเข้าเว็บไซต์ของจิตเราไม่ได้นะมันจะถูกบ่วงมาและยากประเพณีเพราะท่านทำเหล่านี้เนี่ยมันดึงไว้เรามาทําอะไรที่เราถอยชีวิตเราเนี่ยจากอายุหกสิ็ดปีมาเต้นมาลําให้มันถอยอยู่เป็นเด็กอีกสามขวบเด็กสองสามขวบที่ยังไม่ไปโรงเรียนเลย มีรถเก๋งสีแดงคันหนึ่งวิ่งมามันไม่รู้คืออะไรนะมันรู้แต่ว่าสิ่งหนึ่งวิ่งมาสัญชาตญาณมันก็หลบมันไม่มีความอยากได้ไม่อยากได้มันไม่รู้เลยว่านั่นคือเรียกว่ารถรถเกง๋งรถอะไรสีอะไรเขาไม่รู้มันไม่มีความอยากได้แต่พอเราไปโรงเรียนปุ๊บเขาสอนว่าลูกรถเก๋งมันดีกว่ารถกระบะนะอันนี้เรียกว่าสีลัยนะสีอะไรนะแล้วก็ใส่โปรแกรมให้มัน มันก็บ่มพอาะกิเลสว่าเออฉันชอบสีแดงนะพอคุณพ่อซื้อสีเขียวให้ฉันไม่ชอบฉันทุกข์ถามว่าทาซานเนี่ยทาซานเป็นชาวป่าเนาะมันจะได้รถเบนไหมมันอยากได้ไหมครับทําไมครับเพราะมันไม่รู้ทุกวันนี้เนี่ยที่เรารู้เราถึงอย่างพอได้ปุ๊บ ก็พอใจพอไม่ได้พวก็เสียใจทั้งหมดเราสร้างขึ้นมาเองนั่นแหละ น, นะทีนี้เนื่องจากเราสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยไอ้โปรแกรมนี้เนี่ยสองคืนสามวัน mm hmm. เวลาน้อยนิดของเราเนี่นะพ ก, กูก็อยากให้กำลังใจพวกเราเนี่ยอย่าตั้งใจทำเล่นๆตั้งมั่นกับสิ่งที่เราทำอย่าตั้งใจไอ้ตัวตั้งใจมันจะดึงเราไว้นะทำเหมือนเด็กๆ ถอย ห, หลังไปอยู่อยุสองสามขวบไม่มีมารยาไม่รู้ว่าชนาธรรมดีใจก็ร้องหัวเราะออกมาแรงๆเลยเสียใจก็ร้องไห้จิตมันจะอิสระขอครั้งเดียวถ้าเราเข้าไปในเว็บไซต์เราแล้วเนี่ยต่อไปอาจารย์เราจริงๆเนี่ยอายุหลายล้านชาติเขาจะตื่นขึ้นมาสอนเราต่อไปชีวิตเราจะดีขึ้นปัญญาอยู่ในนั้น แลวทุกคนอย่าไปเรียนแบบกันเพราะทุกคนนี่บันทึกสัญญาบันทึกโปรแกรมมาไม่เหมือนกันอาจารย์ของแต่ละคนต้องไม่เหมือนกันนะง่ายๆโปรแกรมง่ายๆนะแต่ถ้าเราทำได้ปุ๊บเนี่ยเราจะเจอสิ่งที่เราไม่เคยเจอ ปัญญากับความรู้ต่างกันนะมีด็อร์คนนึ่งไปปรึกษาพ่อครูไปแลกเปลี่ยนมาพ่อครูคอยอธิบายเรื่องระหว่างความรู้กับปัญญามันต่างกันอย่างไรความรู้ภาษาอังกฤษเรียกว่า knowledge ที่เราเรียนรู้วิช า, า, านู่นวิชานี้เลยแหละภาษาก็เป็นความรู้อย่างหนึง่งเราเรียนภาษาอังกฤษตอนนี้ลูกหลานเราถูกบงังคับให้เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่นูบานนะพ่อครูไม่ค่อยเห็นด้วยนะ คนไทยเราขี้เห่อมากเขาเข้าใจว่าเรียนภาษาอังกฤษแล้วชีวิตจะสําเร็จพราะครูตอบเลยไม่ใช่ร้านอาหารพ่อครูที่อเมริกาไอ้ตําแหน่งต่ําชุดที่เทขยะกับล้างถ้วยล้างจานเนี่ยมันพูดภาษาอังกฤษเก่งมากเราเป็นร้านไทยไอ้คนแยกคนไทยออกหน้าร้านไม่ได้นะทำงานเสริฟไรอะไรได้เงินเยอะนะถ้าภาษาอังกฤษมันสำเร็จในชีวิตเนี่ยประเทศอังกฤษต้องไม่มีกรรมกรสิ มันเป็นแค่ให้ล sí. ah, ah ah, ูกหลานเราไปท่องจําความรู้ภาษาคนอื่นเท่านั้นเองเพื่ออย่าไปเป็นลูกจ้างเขาเพื่อจะให้เขาสั่งการเราได้นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นมาเมืองไทยไม่เคยพูดภาษาอังกฤษเลยประธานเดบโอดีรัสเซียมาเมืองไทยไม่เคยพูดภาษาอังกฤษเลยเอ้ยมันเป็นมหาอำนาจไม่ใช่นายกฮุนเซนเขมรประเทศเล็กๆเนี่ยมาเมืองไทยไม่เคยพูดภาษาอังกฤษเลยมีเมืองไทยขี้เหื่อประเทศเดียว อยากเป็นทาสเขาแต่คนบางคนต้องเรียนภาษาอังกฤษเก่งๆแต่ไม่ใช่คนทุกคนตอนนี้เราคีดเ่อเป็นการศึกษาที่มักง่ายควบคุมง่ายประเมินง่ายเอาคนทุกกลุ่มเนี่ยมาโง่งเหมือนกันหมดเพราะครูมไม่เห็นด้วยแต่เพราะครูขัดแย้งไม่ได้แต่วันนี้มีโอกาสก็แลกเปลี่ยนนะความรู้ มาในรูปของวิชาการต่างๆแต่ปัญญาต้องเกิดจากประสบการณ์จริงประสบการณ์จริงชาตินี้เรา ก, ก็ก็แค่ที่น่นนั้นแต่ประสบการณ์จริงที่บันทึกในจิตใต้ใใสาลึกเราเนี่ยมหาศาลเราเข้าไปออกมาต่อยอดมาใช้แล้วก็จิตเราจะรู้ว่าร่างกายนี้บกพร่องตรงไหนดินน้ำลมไฟตรงไหนที่มันไม่สมดุลนนะ่ะเดี๋ยวจิตเขาจะจัดการจริตเป็นนายกายเป็นบ่าว มันไม่เกี่ยวกับศาสนาใดทุกเผ่าพันธุ์ทุกชาตินะทุกศาสนาก็เป็นคนนั่นแหละคนก็ต้องมีกายจิตอารมณ์มันเป็นษาคนจั ก, กรวาลแล้วทุกท่านทุกคนทำได้แล้วก็ง่ายๆไม่ต้องใช้เทคโนโลยีไม่มีอะไรสรับสนขอให้เราข้ามพน้นความเคยชินความบังเลสงสัยให้ทำทำไม เฮ้อายว่ะอะไรพวกนี้ไอพวกนี้กิเลสทั้งนั้นถอยตัวเองกลับคืนสู่ธรรมชาติเดิมที่เราไม่รู้เรื่องภาษาไม่รู้เรื่องเลยนะนั่นแหละปัญญาเราจะขุดขึ้นมายกตัวอย่างง่ายๆด็อกเตอร์คนหนึ่งทํางานอยู่ไอนาฬิการุ่นเก่ามันบอกเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วด็อกเตอร์ไม่ได้ยิน ทีนี้ไสิ่งมหจัจจจริญนี่มันปวดดรตายไวพร้อมก็ร้องกรอกรอกรอ ก, ก, รอกเธอหิวแล้วเธอหิวแล้วมันส่งสัญญาณเตือนไปเห็นไหมแต่ความรู้ของดออร์บอกว่าเธอยังกินไม่ได้งานไม่เสร็จเธอจะไม่รวยทําไปถึงเที่ยงคืนเห็นไหมไอานาฬิกามันบอกว่าเที่ยงคืนแล้วเที่ยงคืนแล้วนะไม่ได้ยิน ทีนี้สิจะจันต์ตัวนี้เนี่ยก็กลัวดตรตายไวเหมือนกันมันหาวใหญ่เลยถึงง่วงแล้วง่วงแล้วนอนเธออะไรกันนั่ง น, นะแต่ความรู้ดรว่าเธอยังนอนไม่ได้งานไม่เสร็จพรุ่งนี้เช้าต้องพรีเซนต์งานจะไม่รวยทำถึงสว่างไปส่งงานได้เงินมาล้านหนึ่งมารักษาโรคเครียดโรมะเร็งเป็นเศรษฐีในรถเข็นเอาไหม ตอนนี้เราไม่เอาชีวิตเรามุ่งสร้างวัตถุทุกคนต้องมีอยู่มีกินทุกคนต้องทำงานทุกคนต้องมีเงินนะแต่ต้องแค่พอเพียงเราทําเพื่อชีวิตไม่ใช่ชีวิตเพือทุกกับเงินทีนี้กลับกันไอ้เจ้าทาสามันไม่ทุกข์เพราะหิวทุกข์เพราะง่วงมันถึงเวลามันก็ไปกินถึงเวลามันก็นอนเห็นไหม มันจึงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไงความไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเป็นรากอันประเสริฐนะอธิษฐาแล้ ว, วกครูเพิ่งไปอบรมที่อำเภอนามหนาวพูดในการโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะเอาโปรแกรมนี้เนี่ย อ, อ, อ, อสมอเนี่ยทั้งจังหวัด น, นะเนะพราครูจะสรรเสนุนหลวเทาเนี่ยจะเป็นอำเภอตัวอย่าเพราะเป็นอำเภอเล็กๆนะ แล้วก็พอ่อรลายงานพ่อครูว่าปีนี้ต้องเพิ่มวบปมามยาอีกสาสเปอร์ซ็นเป็นเงินหลายล้านในขณะที่ประชากรเท่าเก่ามันสะท้อนให้เห็นอะไรยุคนี้เราจเจริญจริงไหมพ่อครูบอกพออยุคนี้เป็นยุคที่ตกต่ำมากไม่ใช่ยุคศรีวิไลถ้ายุคศรีวิไลจริงๆต้องไม่มีคนไข้ต้องไม่มีคนติดคุกติดตาราง ตอนนี้คนล้นคุลลนคกล้นล้นตรางล้นโรงพยาบาลเป็นยุคที่เสื่อมโทรมที่สุดนะพ่อครูอยู่กับโปรแกรมนี้ยี่สิบเจ็ดปีนะถ้าใครปฏิบัติต่อเนื่องนะเราพึ่งยาน้อยมากเนี่ยพ่อครูอายมาเนี่ยพ่อครูไม่ได้กินยานะมาถึงจะหายช้างไงช้าช่างมาันนะแต่บังเอิญว่า ถ้าพ่อครูพักสักสองสามวันช้นๆมันก็ฟื้นนะบางคิั้เราต้องไปบรรยายไงไปกระทบเสียงอีกที่ว่าเมื่อคืนมาถึงที่นี่ญาติที่ทำหลายคนอรอพ่อพ่ครูพ่อครูบอกไม่พ่อครูออมเสียงมาวันนี้นะเมื่อเมื่อเทียงนี้ค่อยลงมานะก็ก็พอมีเสียงมาเป็นออกมาก็โปรแกรมนี้จะทำให้ทุกท่านนี่กลับมาอยู่กับตัวเองมาหาคาตอบว่าเราเป็นไทยเมื่อ เมื่อเช้านี้เขามีโปรแกรมเตรียมพร้อมร่างกายจิตใจแล้วก็อารมณ์นะเหมือนเราเตรียมพร้อมก่อนแล้วต่อไปจะมีโปรแกรม Search Inside Yourself คือค้นหาตัวเองชีวิตเราเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาลืมตาก็เห็นแปลงสีฟันยาสีฟันเห็นเสื้อผ้าพ่อแม่พี่น้องเห็นสามีภรรยาเห็นบ้านเห็นเจาะเห็นการเห็นงานเห็นเงินเห็นตองพรางคืนหลับตาลงไม่เห็นอะไรเลยเหมือนคนตาบอด แต่โปรแกรมนี้ทำให้เราหลับตาก็เห็นตัวเองเห็นอารมณ์ตัวเองนะอันนี้เรียกว่าโปรแกรมนี้ที่อเมริกากำลังฮิตมากนะโดยเฉพาะ Google เป็นนโยบายของบริษัทเขาเลยนะพนัก ง, งานทุกคนต้องต้องฝึกก็คือว่าเซิร์ชเข้ามาหากับตัวเองเมื่อเราะมีสมาธิสงบนิ่งตัวเองแล้วเห็นอารมณ์ตัวเองชัด ต่อไปเราจะตัดสินใจตามเหตุและปัจจัยไม่ใช่ตามตามอาอันนี้โปรแกรมหนึ่งทีนี้ของเราไม่ใช่แค่เข้ามาดูตัวเองนะของเราสามารถเข้าไปในจิตใต้สำนึกเราแล้วก็โปรแกรมข้างในนี่จะส่งมาข้างนอกนะอันนี้เรียกว่าอินไซต์เอานะข้างในปัญญาข้างในจะสอนจิตไปฝันบนข้างนอก เดี๋ยวช่วงสองวันนี้มีจังหวะพักกูกจะฉายสไลด์ฉายอันนี้ให้ดูนะว่าคำว่าอินไซต์เอาคืออะไรเราจะเห็นด้วยตาเนื้อเราเองว่าเขาทำได้ยังไงเราทำได้อย่างไรยกตัวอย่างว่าบางท่านเนี่ยชีวิตนี้ไม่เคยฝึกโยคะเลยจิตเดิมเขารู้ว่าเอ้ะร่างกายเราตรงนี้มันบกพร่อง การเมื่อเส้นเอ็นตรงนี้เนี่ยมันพับ ก, กันเนี่ยเขาจะไปรีววเข้าไปเว็บไซต์ที่เราเคยฝึกมาแล้วในอดีตเขาจะมาสอนจิตปัจจุบันแล้วก็ร่างกายมันทำตามแล้วโครคภัยไข้เจ็บมันก็หายแล้วกลายเป็นว่าวิชายโยคะเราไม่ต้องฝึกเราทําได้ตลอดเวลาอันนี้คือตัวปัญญาเราประสบการณ์เก่าเรามาใช้ทุกคนทําได้ไม่ใช่เรื่องสาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องอิทธิฤทธิปฏิหารไม่เกี่ยวกับาศาสนามันเกี่ยวกับโครงสร้างชีวิตมนุษย์ นะทุกคนทำได้เราต้องทำตัวสร้างอารมณ์แบบนักวิทยาศาสตร์อย่าเพิ่งเชื่ออะไรง่ายๆอย่าเพิ่งปฏิเสธอะไรง่ายๆปฏิบัติลองถูกลองผิดด้วยตัวเราเองนะสองสามวันนี้ก็มีเวลาแค่นี้ก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วเมื่อท่านมาสัมผัสแล้วต่อไปเนี่ยศูนย์แห่งนี้เปิดทุกวันนอกจากวันจันทร์จะมาเมื่ อ, อไหร่ก็ได้ หรือใครว่างก็ไปศูนย์ใหญ่ทีุ่บลก็ไม่เป็นไรนะครับก็เวลามีแค่นี้พรอครูก็เกินก่อนนะแล้วก็ช่วงสองสามวันนี้พ่อครูอยู่ที่นี่มาที่นี่เพื่อโปรแกรมนี้โดยตรงนะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยอย่าตั้งใจสนุกสนานแต่ตั้งมั่นกับสิ่งที่เราทําตั้งมั่นคือเป็นหนึ่งเดียวบนสิ่งที่เราทำเวลาเต้นอยู่กับการเต้นถ้าเต้นด้วยไปคิดด้วยเนี่ยมันไม่ตั้งมั่นมันจะเป็นสองไม่มีพลังโอเคนะก็พ่อคูขอจบกันนี้ก่อน จะได้เข้าสู่การปฏิบัติ